คำว่าศาสนาเจริญเช่นเจ ร, จริญในครั้งพุทธกาลรศาสนาเจริญที่ใดก็ตามตามความริดในความเจริญของศาสนาแล้วเจริญที่จิตใจของคนจิตใจของพระของพุทธบริษัท มีความเชื่อค ว, ความเคารพความเลื่อมใสความสนใจความรู้สาพยายามปฏิบัติต่ออัดต่อธรมตามเพศและวัยของตนมีหิริโอตปะฝังใจซึ่งเนื่องมาจากความเชื่อบุญเชื่อก ร, รมตามหลักศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ นี่เป็นความเจริญของศาสนาตามความมุ่งหมายของธรรมโดยแท้ความเจริญส่วนปีกย่อยออกไปก็คือการศึกษาเ ร, าเรียนเพื่อรู้ข้อวัดปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ใช่เรียนจดจำเอาชั้นเอาภูมิแบบโลกเขาทำกันเช่นนั้น คือเจตนาความมุ่งหมายนั้นอยู่ที่การเรียนเพื่อการปฏิบัติในครั้งพุทธการส่วนมากพุทธบริสัทธ ฟ, ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นศาสนาก็ค่อยขยายออกไปเพราะพระสาวกทั้งหลาย รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้ายรื่าสาศ า, ส, าสนาเจริญภานในใจของท่านอย่างสมบูรณ์แล้วก่อนแนะ้นำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าไปในตัวพระองค์ก็ทรงรรา ท, ร า, ทาหน้าที่พระสาวกก็ทาหน้าที่ศาสนธรรมเพื่อความเข้าใจโดยถูกต้อง เช่นเดียวกับพระองค์เบื้องต้นศาสนาเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ในพระพุท ธ, ธเจ้านับแต่ขณะที่จัดสรู้แล้วขึ้นมาจากนั้นก็กระแสแห่งธรรมก็กระจายออกไปสู่บรรดาสัตว์ที่ให้ชื่อว่าพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้น เมื่อกระแสแห่งธรรมได้กระจายเข้าไปสู่จิตใจของทบุริษัต์ก็เกิดความเชื่อความยังใสเห็นจริงตามความจริงที่าศาสนาธรรมประกาศสอนหรือพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทมีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติ ผลก็ปรากฏขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันองค์นั้นผู้นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นั้นผู้นั้นสําเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นผู้นั้นสําเร็จพระอนาคาองค์นั้น หรือผู้นั้นสำเร็จพระรหัสกรหรันเพราะคารวาสก็มีทางสำเร็จได้เช่นเดียวกับพระเราเช่นสัน ต, ติมหาอามาตย์นันท์เขมาเป็นต้นนี่ศาสนาเจริญเต็มดวงใจของพระษาวกจากนั้นก็เป็นภาษาวิกาคือเจริญ เต็มดวงใจทั้งฝ่ายภิกษุทั้งฝ่ายภิกษุณีกลายเป็นสาวกสาวิกาขึ้นมาท่านเหล่านี้เมื่อทำได้เจริญในใจหมดภาระในการขนขวายสำหรับตนแล้วความเมตตก็เต็มใจเต็มภูมิเต็มนิสัยของตนแต่ละรายละรายหรือแต่ละท่านละท่าน แล้แนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รับความเข้าออเข้าใจแทนกระจยายแห่งความป้างขวางและความเจริญทางด้านจิตใจจากธรรมของพระพุทธเจ้าไปอย่างมากมายท่านคิงว่าศาสนาเจริญเจริญด้วย การประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังเจริญด้วยมรรคคือการปฏิบัติเจริญด้วยผลคือสิ่งที่พึงได้รับเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นกันิยานุปุตชนจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคืออรหั ต, ตธรรมมีเรียกว่าศาสนาเจริญคือเจริญจริงๆเหมือนกับ เงินในธนาคารมีตามบัญชีนั้นไม่คลาดเคลื่อนไม่สักแต่ว่ามีอยู่แต่บัญชีแต่เงินหาไม่ได้ในธนาคารนั้นเค่นั้นทั้งพุทธ ก, การบัญชีเงินกับตัวเงินถูกต้องไม่เคลื่อนคลาด บัญชีว่าอย่างไรมีเท่าไรเงินก็มีเท่านั้นในธนาคารศาสนธรรมพระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนว่าอย่างไรตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมนี่คือการประกาศสอนธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับบัญชีบัญชีเงินผู้ประพฤติปฏิบัติก็สามารถดาเนินตามเพราะว่า่ิสง สั่งสอนนั้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้บรรลุมรรคผลเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดบิมุตติภายนานเรียกว่าเงินหรือธรรมเต็มใจบัญชีกับเงินตรงกันนั่นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อตกมาสมัยของพวกเรานี้ มักจะกลายเป็นแต่ว่ามีแต่บัญชีแต่ตัวเงินไม่มีมีหน้าซ้ำยังสร้างความรกรุงรังไว้ในธนาคารเยอะจนสะสางไม่วาดไม่ไหวไม่เพียงแต่เงินไม่มีธนาคารเท่านั้นยังสร้างปัญหาไว้อีกมากมายการจดจาเรียนเรียนรู้ต่างๆ ในข้ออาจข้อธรรมผมเรียกว่าเรียนได้แต่บัญชีของธรรมบาปก็เรียนได้ก็รู้บุญก็รู้นรกสวรรค์ก็รู้กิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆก็รู้แต่ไม่อาจจะแก้กิเลสตัณหาอาสวะไม่อาจจะละบาปบาเพ็ญบุญ ด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมที่ตนจดจามานั้นบ้างเลยสุดท้ายก็มีแต่บัญชีดีชั่วกิเลสปัญหาอาสวะและอัตถะอยู่ในความจดจาเพียงเท่านั้ น, นส่วนกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆก็สนุกสร้างปัญหาขึ้นภ า, นาจในจิตใจ ให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายเช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้ศึกษารเรื่เรียนศาสนาอัตธรรมอะไรเลยและยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอยังสร้างทิฏฐิมานะเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดตามอัตตามธรรมก็ยิ่งเป็นปัญหาที่มากมูลยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาอัตธรรมเป็นไหนเสียอีกโดยเหตุนี้คำว่าศาสนาเจริญ ให้พึง น, นึกน้อมเข้าสู่ใจที่เวลานี้กำลังอาภาัพพูดถึงอัดถึงทมในข้อใดขั้นใดภูมิดใดยังไม่ปรากฏจำได้แต่ชื่อโซดาสกีธาอนาคาอารารหันเราก็ได้ยินแต่ชื่อใจของเรายัางว่างนี่ใจนีเ้เยบมัธนาคารแต่มันกลายเป็น เรือนของกิเลสไปเสียกิเลสเป็นพื้นอยู่ภายในใจนั้นกลายเป็นเรือนของกิเลสรังของกิเลสรังของภพรังของชาติรังของความทุกข์ความทรมานประการต่างๆที่กิเลสสนุกสร้างขึ้นมาเพราะไม่ไม่มีสิ่งที่ชำละสาสางหรือปราบปรามมันมันก็สนุกสร้างขึ้นมา เพื่อที่จะให้สิ่งรกปรุงรังภายในจิตใจนี้ได้สว่างหรือได้ส่างซาเบาบางลงบ้างหรือเบาบางลงจนโดยลำดับจนกระทั่งหมดสิ้นไปเพื่อทรงอัศสมธรรมขั้นต่างๆตามที่ท่านแสดงไว้นั้นจึงต้องพยายามอุตสาประพฤิปฏิบัติกาจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลาย โดยวิธีการต่างๆหรืออุบายต่างๆเต็มสติกำลังความสามารถเพื่อใจนี้จะได้กลายเป็นเรือนอัดเรือนธรมเต็มประดมักด้วยผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาในยินจะชื่อท่านสำเร็จพระโสดาก็ให้ได้ยินตัวชื่อของเราให้ทราบตัวของเราได้สำเร็จ ท่านสำเร็จสกีทาก็ให้เราได้สําเร็จด้วยการปฏิบัติของเราท่านสําเร็จอนาคาก็ให้เราได้สําเร็จให้ได้มีส่วนท่านสําเร็จอรหัรหันก็ให้เราได้สําเร็จให้ได้มีส่วนกับท่านเป็นผู้หนึ่งในวงศาสนาด้วยการปฏิบัติของเราอย่าให้เสียชื่อ อย่าให้เสียคนทั้งคนเพราะคนคนนี้นั้นได้มาจากสมมุติได้มาจากบุญวาสนาที่เราก่อสร้างมาเราจรึงได้เกิดในช่องแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากยิ่งกว่ากำเนิดใดๆที่ต่ำสามยิ่งกว่านี้เราได้ผ่านพ้นกิเลสต่ำพบต่ำสามเหล่านั้นขึ้นมาเป็น พบเป็นภูมิแห่งมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่เหมาะสมกับศาสนธรรมและเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วอยากให้เสียท่าเสียถีให้ศาสนา <c oughs> ได้เจริญขึ้นภายในใจของเราคำว่าสมาธิจะไม่มีที่ใดเจริญจะเจริญขึ้นที่ใจ สมาธิขั้นใดก็จะเจริญขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติกิตตภาวนาปัญญาขั้นใดก็จเจริญจะเจริญขึ้นที่ใจของผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจรารณาจนถึงปัญญาอันละเอียดแหลมคมดังที่ท่านกล่าวไว้ในตำหนับตำลาว่ามหาสติมหาปัญญาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเกิดขึ้น ที่ใจของเราผู้พยายามพินิจพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนมีความชมนิชนานาญคล่องแคล่วกลายเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าขึ้นมาและสามารถชาิฟันสิเดตประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดเคยฝันว่าจะได้เจอกันได้รู้เรื่องของกันและกันและได้ปราบปรามกันลงได้ก็ได้ปราบปรามกันลงได้เพราะสติปัญญาที่เราไม่เคยคาดคิด ว่าจะเป็นขึ้นแต่ได้เป็นขึ้นแล้วที่เลสที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้จะเห็นกันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนซึ่งแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วกับสติปัญญาประเภทนี้นี่เอาให้ศาสนาเจริญตรงนี้เมื่อศาสนาเจริญตรงนี้แล้วจะ ถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมายของธรรมด้วยจะสมความมุ่งมา่ปรารถนาของเราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขความเจริญอย่างแท้จริงตามหลักธรรมด้วยไม่ถึงขั้นที่กลามาเหล่านี้ก็ตามท่านก็เรียกศาสนาเจริญคือเจริญไปตามขั้นตามผง ของผู้เคารบเพื่อนใสผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจนเชื่อบาปมีพยายามระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในตนแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละไม่สั่งสมต่อไปอีกและไม่ส่งเสริมต่อไปที่ยังไม่เกิดก็พยายามทำให้เกิดให้ดีขึ้นกุศลธรรมคือเป็นความดี ประเภทใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามทาให้เกิดด้วยความเชื่อบุญเชื่อกำที่เกิดแล้วก็พยายามรักษาให้เจริญอยู่คงเส้นคงวาและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้เชื่ออัดเชื่อธรรมย่อมเชื่อบุญเชื่อบาทย่อมเชื่อนรกสวรรค์เพราะเป็นเรื่องเป็นไปจากกำคือเชื่อกำ ได้แก่การกระทำของตนพระพุทธเจ้าตรัสศาสนาไว้ถือหลักกรรมเป็นสำคัญของสัตว์โลกเพราะต่างก็ทาอยู่ด้วยกันไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ปีศานประเภท ใ, ใดๆมีการทากรรมอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพลังสัตว์เหล่านั้นไม่ทราบว่าตนทากรรมผลนั้นจะทราบหรือไม่ทราบก็ตาม ต้องเป็นผลดีผลชั่วตามการกระทำอยู่โดยดีนี่เราเป็นผู้เชื่อกรรมพุทธบริษัทเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมย่อมจะเชื่อในบาปในบุญเชื่อในนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานและพยายามละเวน้นสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยตามหลักธรรมนั้นด้วยความเชื่อของตน พยายามบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าศาสนาเจริญคนที่มีใจได้รับการอบรมจากอัจากธรรมด้วยความเชื่อความมั่นใสอย่างแท้จริงตามทมแล้วย่อมละบายออกในสิ่งที่งามหูงามตาไม่แสลงทั้งแต่ตนและผู้อื่น แสดงในอากัากบกิริยาใดย่อมเป็นไปเพื่อสิริมงคลเป็นไปที่ความยึดเป็นไปเพื่อความยึดถือจากคนอื่นเป็นคติตัวอย่างแก่คนอื่นลื่อื่ไปตั้งแต่วงแคบจนกระทั่งถึงวงกว้างไม่มีสิ้นสุดเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่ใจแล้วย่อมแสดงออกมาทางกายทางวาจาคือความประพฤติ การพูดจาตาสายมีมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีหลักความถูกต้องเป็นที่ยึดเป็นเครื่องดำเนินมีเรียกว่าศาสนาเจริเมื่อต่างคนต่างเป็นผู้ได้รับาออการอบรมและอบรมด้วยความเชื่อความรลมใสในศาสนาแล้วย่อมจะระบายออก ในกิ่งใดด้วยความมีเหตุมีผลและเป็นความหนักแน่นในกิริยาแห่งการพูดการทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะเชื่อกำมอาการที่แสดงออกใดๆย่อมเป็นเรื่องของก ร, รมพร้อมที่จะให้ผลทั้งดีและชั่วอยู่เสมอผู้เชื่ออัจเชื่อทำจึงต้องระมัดระวังและมีความจงใจในการระบายออกและการกระทำทุกแง่ทุกมุมให้เป็นไปตาม คลองอัดคลองถมที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นความสงบสุขแก่ตนตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองนี่เรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญอย่างนั้นอันนี้ศาสนาเสื่อมเป็นอย่างไรเราก็ทราบอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็อธิบายถึงเรื่องมีแต่บัญชีในธนาคารเงินไม่ มีแต่วความจดจำได้มีแต่การศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้นั่นผู้นี้จากตำหลับตำลาแต่จิตใจไม่ถึมซาบถึงอัตถถึงถังไม่เชื่อไม่เคารพไม่เร่วมสศยสักแต่ว่าเฉยๆหากว่านับถือก็สักแต่ว่านับถือตามประเพณีความนับถือศาสนากับการปฏิบัติศาสนานั้นต่างกันส่วนมากชาวพุทธเรา ถามผู้ใดก็ตามมีเป็นความชินปากชินใจตามส่วนมากที่พาเรียกพานับถือก็ต้องมเมื่อมีผู้ถามก็ต้องบอกว่าถือาศาสนาพุทธเห็นทั้งทั้งที่ความจริงของพุทธนั้นคือท่านสอนว่าอย่างไรไม่รู้มีเรียกว่านับถือเฉย เห็นพระพุทธเจ้าก็คารพบกราบไหว้แม้แต่นักโทษในเรือนจำเขาก็คารพบแต่การกระทาของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งู้นับถือศาสนาเฉยๆก็เป็นเช่นนั้นคารพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามนิสัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทานนับถือมาแต่การกระทาเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นค่าศึกต่อการนับถือศาสนาเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามศาสนาการกระทํานั้นจริงไม่เรียกว่าการกระทําการนับการปฏิบัติตามศาสนาเพราะเป็นค่าศึกการกระทํานั้นเป็นค่าศึกต่อศาสนาแล้วก็เป็นค่าศึกต่อตนเองด้วยเหตุนี้การนับถือศาสนากับการปฏิบัติตามศาสนานั้นจึงต่างกัน การปฏิบัติตามจะเป็นเพศใดวัยใดก็ต่าควรที่จะรักษาตนด้วยอัดด้วยทำในแง่ใดข้อใดก็ปฏิบัติเช่นอย่างครวะควรมีศีลห้าอามหักไม่ได้หมดก็ขอให้ได้ในข้อใดคน้นเป็นความสัตย์ความจริงจะส่วนมากคนเราถ้าลงได้เชื่อตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว ทำได้ทั้งนั้นเช่นศีลห้าตัวไหนที่สุดวิสัยของความเชื่อเราไปศีลข้อไหนที่สุดยิสัยของความสามารถเราไปปาณาอธินาการเมมุสาสุราศีลเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเครื่องรักษาเราให้เป็นคนดีต่างหากไม่ใช่เป็นค่าศิทธิ์ต่อเราที่ จะทำไม่ได้การทำไม่ได้ก็เพราะอำนาจแท่งฝ่ายต่ำมันมีความหนักแน่นหรือดุนแรงมากกว่าศีลทมที่จะเข้าแทรกแทรกเข้าสู่ใจได้เท่านั้นชาวพุทธเราจริงไม่อาจที่จะรักษาได้แม้แต่ศีลห้าก็ไม่ได้ยังฝ่าฝื้นต่อหน้าต่อตาพุทธศาสนา ทั้งๆ ท, ที่ตนก็เป็นชาวพุทธประกาศอยางออกเนื้อออกตัวอยู่คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่ว่าเราก็ชาวพุทธแต่ขั้นแล้วการกระทําก็เป็นค่าศีลต่อตั ว, ตวเองและเป็นค่าศีลต่อชาวพุทธด้วยกันและเป็นค่าศีลต่อพระพุทธศาสนาโดยเจ้าตัวไม่ได้สนใจิดประการใดบ้างเลยะถ้ามีการนับถือแล้ว ศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนคนให้มีความสงบรลุ่มเย็นโดยแท้และหลักความจรินของศาสนาก็เป็นเช่นนั้นไม่เคยให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้ร้าวรานหรือสังคมใดๆให้ร้าวรานนับตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่จะสมัครสมานแบ้ด้วยอดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำสิ่งต่างๆให้แต่แยกหบุคคล ผู้หวังดีให้กลายเป็นผู้ชั่วชา้าลามกเสียหายไปหมดเพราะการนับถือและการปฏิบัติตามศาสนาธรรมเยยะขณะที่โลกเกิดความรุ่มร้อนไปทุก่อมยาเวลานี้ก็เพราะความหืนห่างจากศีลธรรมของจิตใจมนุษย์เรานั่นแหละเมื่อจิตใจได้หินห่างจากศาสนาธรรม ในขณะเดียวกันความใกล้ชิดติดแนบกับสิ่งที่ชั่วช้าลามกที่จะทำให้เกิดความเสียหายไม่มีประมาณนั้นก็จะเรินยิ่งขึ้นภานาในใจิตใจเช่นท่านสอนไม่ให้เช่นปานน้ำาให้ฆ่ า, มาไม่ให้ทำลายซึ่ง ก, ากาันและกันนอกจากนั้นยังมีเมตตาอีกด้วยแสงเข้าไปท่านเรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรม เป็นเครื่องสนับสนุนปานาให้เด่นและให้สีลข้อนี้สมบูรณ์ขึ้นเพราะความเมตตาเป็นเครื่องสนับสนุนแต่กลับกลายเป็นความโหมดร้ายเข้าแทนที่สีนข้อนั้นเสียโลกจึงทําความพินาศทิบไห่เกิดกันได้อย่างหน้าตาเฉยเพราะหมดคุณสมบัติในทำข้อเหล่านี้ภายในใจ ข้อื่นก็เช่นการเช่นเดียวกันอธินาทานก็เพราะความโลภความอยากได้อันเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นเรื่องทําลายสมบัติของคนอื่นจิตใจของคนอื่นจํานวนไม่มีประมาณนั้นมีกําลังรุนแรงเพียงต้องฉกต้องลักต้องต้นต้องสะตอ ไม่เพียงแต่ว่าไม่มีอยู่มีกินอดยาขาดแทนจริงๆหาที่กินหา ท, นาที่ใช้สอยอะไรไม่ได้เลยเป็นความจนกรอบจนมุมจริงเช่นนั้นแต่มันเป็นนิสัยสั้นดานของคนที่มีจิตใจต่ำชา้า ด, ด้วยสิ่งโสกปกโซมมหรือสิ่งเลวสามทั้งหลายเข้าครอ บ, รอบงำเป็นอำนาจเหนือจิตใจ น, นั้นอย่างบอกไม่ถูกต่างหากจิงได้ทากันได้ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายทั้งสมบัติและจิตใจของผู้ใดก็าตามขอให้ได้อย่างดีเป็นพอไม่ว่าข้ออื่นใดๆการเมสุมิจฉาจารย์ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีธรรมแล้วมันก็ยิ่งก่าสัตว์มันทำได้ทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความหน้าด้านใครจะหน้าด้านยิ่งกว่ามนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมมันด้านยิ่งกว่าสัตว์ที่อ มีศีลธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องประดับหรือประคับประคองมนุษย์ไว้ให้ต่างจากสัตว์ทั้งหลายมีความละอายรู้จักสูงต่ำรู้จักของเขาของเรารู้จักท่านรู้จักเรานี่คือเรื่องของศีลธรรมโดยล้ว น, ววนถ้าลงไม่ไมาคิดในแง่นี้แล้วคิดมันก็ต้องคิดไปในแง่สนุกสนานรื่ดเริงบันเทิง ดีไม่ดีก็วอกวดดิบอวดดีไปในทางนั้นเสริมสิ่งที่ต่ำาตามให้มีอำนาจมากขึ้นโดยแม่คำหนึ่งถึงความเสียหายความระประเทือนการทำลายจิตใจและบุคคลผู้ใดทั้งนั้นโลกจะไม่ร้อนได้อย่างไรเมื่อศีลธรรมไม่มีภาญใจของชาวพู้เราแลว้วโอหกสุราก็เหมือนกัน พูดได้สะดวกสบายไม่คิดว่าการพูดการโกหกนั้นจะเกิ ด, กดความเสียหายแก่ผู้ใดพูดได้โกหกได้โกหกคนอื่นแทบจะ จ, จนข น, นาดล่มจมมีมากอย่างที่พวกนักต้มนักตุนนักกลมาหยาหาอุบายด้วยวิธีการต่างๆที่จะทำคนอื่นให้ ที่หายใบป่วงทั้งทรัพย์สมบัติและจิตใจจนกลายเป็นยิควินวิการใบบ้าไปบ้านเพราะกลม า, ายาแห่งความต้มตุ๋นหลอกลวงมีมีมากไม่หนอยเพราะความหน้าด้านหาความละอายไม่ได้ยิ่งกว่าสัตว์นั่นเองพูดถึงสุราสุราใครๆก็ทราบแม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าเป็นของมือนเมาเป็นของไม่ดี เหตนไดมนุษย์ดาวจริงต้องส่งเสริอมองนักหนาจนเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างออกหน้าออกตาไม่ว่าสถานที่ใดเช่นสังคมถ้าไม่มีสุราไปเป็นสิ่งออกหน้าออกตาแล้วสังคมนั่นเหมือนกับไม่ใช่ สังคมมนุษย์สังคมผู้มีเกียนเลยเห็นไปว่าสังคมที่มีสุรานั้นเป็นสังคมที่มีเกียนเป็นสังคมที่ชมเชยและยอมรับกันทั่วแดนสังคมนี่คือการลบล้างศาสนาธรรมอันเป็นความจริงมากน้อยเพียงไน แต่สังคมได้ยอมรับสุรายาเมาพูดง่ายๆก็คือน้ำบ้านั่นเองสังคมนั้นก็ชมเชยกันในเรื่องความเป็นบ้ากันทั้งนั้นการสังคมกันไม่มีสุรายาเมา <c oughs> สิ่นไม่ดีทั้งหลายสิ่งต่ำชา้าเดือสันทั้งหลายเข้าไปแทรก เข้าไปเป็นเจ้าหน้าเจ้าตามันไม่เป็นสังคมเหลือเราพิจารณานี่แหละายต่ำมันเป็นเช่นนี้มันครอบหัวใจมันเสกสรรปัญญาสิ่งที่ <c oughs> ไม่ดีว่าดีขึ้นมาลบล้างสิ่งที่มีตามหลักความจริงนั้นให้เสียหายไป เป็นไปะด้เช่นนี้นี่เป็นผู้สังหาราศาสนาธรรมและตนตลอดส่วนรวมทั่วๆวไปให้คิบ้ายวายปวงไปด้วยความ ร, ร, รู้อยู่นี่แหละนี่อะคื ว, ว่าการนับถือศาสนาเฉยๆกับการปฏิบัติมันต่างกันเช่นเพราะไม่ได้ถึงใจศักดิจวนับถือ ไม่ถือเป็นจริงเป็นจังไม่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายไม่หวังความสูกความเจริญอันใดจากศาสนายิ่งกว่าความอยากความเทวทายานเอาตามความชอบใจของตนซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายต่ำคือกิเลสรุนแรงเท่านั้นโลกจึงหาความเจริญไม่ได้ถ้าลงไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจเป็นเครื่องกั้นกลางหวงห้ามในสิ่งต่างๆเหลือซามทัาไหนแล้วคนทั้งคนจะเหลือแต่ร่างกระดูกหนังหอกกระดูกเท่านั้น แม้จะเศษสันปั้นยอกันไม่มี <c oughs> ความสุขความจเจริญมียศถาบรรดาศักย์อะไรก็ตามก็ <c oughs> เป็นศักแต่ว่าลมปากเป่ากันไปเป่ากันมาเท่านั้น <c oughs> ตื่นเงากันเท่นั้นหาความกลิ่นไม่ได้หากมีาศาสนธรรมเข้าแทะเข้าภายในจิตใจในความประพฤติการระบายออกแล้วจะเห็นเป็นความชุ่มเย็นชุ่มเย็นขึ้นมาทันทีไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองเข้าของเป็นจํานวนล้านล้าน คนที่มีสีมีธรรมนั่นแหละเป็นคนที่เสาะแสวงหาความสุขความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบังผู้นั้นและเป็นผู้มีความสุขมากยิ่งกว่าผู้ที่ไม่มีศาสนาเลยทั้งๆ ท, ที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมากมายสิยง น, นั้นไม่ใช่ที่จะมาปลกเปื้องที่จะมาแก้ทุกข์ทางหัวใจของโลกให้ สงบร่มเย็นไปได้เลยนอกจากศีลธรรมเท่านั้นเพราะจริงวันนั้นเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมสำหรับคนฉละลให้นํามาใช้ตามความต้องการของตนแล้วเกิดความถูกขึ้นตามฐานะของสมบัติมันนั้นจะพึงอำนวยให้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าถึง จ, จิตใจให้เกิดความชุ่มเย็นไปได้ถ้ายิ่งไม่มีอัตมิธรรมแฝงอยู่ภายในจิตใจด้วยแล้ว สมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากเพียงไรก็กลายเป็นยาพิษเข้ามาสังหารตน เ, นตนเองให้ชิหายผลปีไปทั้งๆ ท, งที่ลมหายใจยังมีอยู่นั่นแหละนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะเลยเราจะพูดถึงวัตถุจะเลวัตถุมาจากไหนวัตถุเหล่านี้ก็มีออกมาจาก ธาตุสีด่ดินน้ํำลมไฟเช่นแรกทา่าต่างๆงปลูกบ้านปลูกเรือน ข, นขึ้นกี่ชั้ น, นกี่ห้องกี่หับถนนน้นทางจะให้กว้างให้แคบม่ลาดอย่างลื่นไปหมดก็ต่างสิ่งเหล่า น, นี้คืออะไรมาจากอะไรก็มาจากเด็ดจากปูนจากอิดจากทรายจากทธาตสีด่ดินน้ําลมไฟหากว่าสิ่งเหล่านี้จะทําคนให้เจริญได้จินได้รับความสุข สมกับความที่ว่าโลกเจริญจริงๆแล้วแล้วเหยียบย่าไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟไปหมดในบ้านเราก็มีในที่อยู่เราก็มีพวกเล็กพวกปูนพวกอิฐพวกทรายซึ่งเป็นแร่ธาตุต่างๆรวมแล้วเรียกว่าธาตุดินถ้าลงจิตใจหาความเจริญด้วยธรรมไม่มีขอบเขตเขตผลเป็นเครื่องดำเนินแล้วอะไรจะเจริญก็จเจริญถึก แต่หัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเท้าร่นอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความเจริญไม่ได้และหาที่โปร่งที่บางที่วางไม่ได้จนกระทั่งวันตายอะไรจะเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาไม่จําเป็นจะอะไรจําเป็นเมื่อโลกทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญโดยทางที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วจะหนีหลักธรรมไปไม่ได้เลย มันเป็นอันเรื่องของกิเลสนั้นมันไม่ทําใครให้มีความสุขความสบายเลยมีแต่เป็นเครื่องล่อมิจฉเหมือนเหยื่อเสียบอยู่ใต้เบ็ดเท่านั้นเป็นเครื่องล่อตาตัวโง่เมื่อติดเบ็ด เ, เ, เ, เขาแล้วเป็นยังไงตาตัวนั้นมาติดเบ็ดเขาแล้วเป็นไงมันมีความสุขความเจริญอะไรแต่ก่อนมันมันหิวอยู่มันก็ ย, ยังไม่ทุกข์มากพอมาติดเบ็ดเข้าแล้วเป็นยังไง ความหิวนั้นยังไม่มีกำมันมีอำนาจไม่มีความทุกข์มากยิ่งกว่าเวลาติดเบ็ดจิตใจของคนก็เหมือนกันของผู้มีศาสนาก็เช่นเดียวกันนั้นเมื่อฝ่ายต่ำมันหลอกต่างคนก็ต่างมีเต็มหัวใจนำจริ่งอันนี้มาหลอกมาปลุกันกันโฆษณนาชวนเชื่อกันทั้งทั้งที่หาความจริงไม่ได้ก็ยิ่ง เป็นผู้ที่โง่อยู่แล้วทอดทิเดศพาให้คนโง่ทําไมจะไม่เชื่อง่ายในทางฝันต่ํำล่ะนี่ลหละที่ทําให้โลกมันเสียอยู่ทุกวันเข้ามาทุกแง่ทุกมุมเข้ามาทางไหนก็เยิมยับเยิ้มรับเยิ้มรับรับกันไปหมดรับกันมากน้อยเพียงไรก็เผากันมากน้อยอย่างนั้นถือว่าโลกจเจริญเจริญกำลังทั้งๆที่เจ้าของหรือแต่ละคนนั้นกําลังจัดตายอยู่แล้วด้วยความรุ่มร้อนแผดเผาพาใน จ, ใจิตใจ ปัญหาที่ตร่งที่วางไม่ได้ยังโครจรนายังว่าโลกเจริญเจริญพิจารณ์สิเรื่องจิตใจที่มันต่ําด้วยอํานาจของกิเลสปัญหาอสวะมันหลอกคนได้ถึงขนาดนั้นไม่ยอมรับความจริงหรอกนี่เราจะว่าโลกเจริญหรือโลกเสื่อมเองโลกหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตใจของแต่ละหลายหลายที่ครองโลกอยู่ การทำโลกให้เจริญนั้นก็เพื่อจะให้จิตใจเจริญเพื่อจิตใจจะได้อยู่สะดวกสบายเช่นส่วนร่างากายกระปูกบ้านปูเรือนหลังใหญ่ใหญ่โตโ ต, โตแล้วหัวานมีที่กันแดดกันฝนมีอาหารการบริโภคเป็นเครื่องบรรเทาเยียวยาก็เป็นความสุขนี่แล้วทีนี้ทางใจมีอะไรเป็นเครื่องเยียวยามีอะไรเป็นเครื่องรักษาพอที่จะบรรเทาเบาบางทุกทั้งหลายลงบ้าง มีความสุขความสบายหรือจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมันเผานอกจากเป็นปืนเป็นไฟมาเผาหลนเท่านั้นด้วยเหตุนี้าศาสนาธรรมจจงเป็นของจำเป็นธรรมชาติที่จําเป็นมากต่อจิตใจของสรรโลกเพื่อให้เหมาะสมกับคัมภีรโลกจเจริญโรคเจริญต้องหมายถึงจิตใจของผู้ครองโลกเป็นจิตใจที่จเจริญมีขอบมีเกียรติมีเหตุมีผลการสร้างอะไรขึ้นมาก็สร้างด้วยความฉลาดเพื่อให้ตนได้รับความสุขจริงๆ และผู้อื่นผู้ใดก็ตามให้ได้รับความสุขเช่นเดียวกับตนขึ้นชื่อว่าผู้มีอัดมีธรรมแล้วโลกเจริญจึงหมายถึงตรงนี้เป็นหลักสำคัญศาสนาจึงมีความจำเป็นต่อโลกด้วยมาศาสนาศาสนาเจริญเจริญที่ใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะแพร่กระจายออกไปสิ่นต่างๆ เดี่ยวก็เรื่องการก่อสร้างวัตถุต่างๆทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าจิตใ จ, จเจริญนะสิ่งนั้นก็ยอมรับป้าจเจริญเพราะให้ความสุขจิตเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอารมณ์มาด้วยดีทำอะไรลงไปก็เพื่อเป็นความสุขความเจริญสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่สนองความต้องการให้เป็นสุขได้นทีน่นี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในของวงปฏิบัติเห็นไหม าศ า, าสนาเจ ร, ริญยังไงเจริญเพราะเดินจงกรมเฉยๆหาสติสต sort of ังไม่ได้อย่างนั้นเลยศาสนาไม่ได้เจริญเพราะการเดินจงกรมหาสติสตังไม่ได้การนั่งสมาธิภาวนาหาสติสตังไม่ได้การเคลื่อนไหวไปมาหาสติสตังไม่ได้แต่ศาสนาเจริญเพราะความมีสติ ควพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับอวัยวะหรือกับอายุรนาของตนแม้ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของจิตก็ต้องเป็นจิตเรื่องสติต้องเป็นสติที่จําจะต้องใช้เรื่องปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาซึ่งเป็นธรรมจําเป็นที่จะต้องใช้รักษาตัวหรือแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อศาสนาใจได้เจริญที่จิตใจ เวลานี้จิตใจทูทายตําเยียบย่ําทํำลายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนมาแต่พบชาติใดไม่ต้องนับเอาหลักปัจจุบันของผู้มปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยเพศของพระเวลานี้ไปช่างตัวกับเพศคาวาะของตนมีแตกต่างกันอย่างไรบ้างตั้งแต่เป็นคาวาะกลับมาเป็นพระผลที่ได้ในความเป็นพระซึ่งแต่ก่อนท่านถือว่าเป็นการประเสริฐเมื่อได้บวชในศาสนาแล้วพึทตนตามหลัก สิ้นธรรมของพระพุทเจ้าแล้วทรงมรรคทรงผลขึ้นมาท่านถือเป็นความประเสริฐทีนี้เราทรงอะไรหรือทรงแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความทอ้ทอแท้อ่อนแอทรงตั้งแต่กิเลสกิเลสมันเต็มอยู่แล้วความขี้เกียดขี้คร้านก็เพิ่มเข้าอีกความเห็นแต่ความเหนื่อเหนื่อยเมื่อยลา้าความท้อถอยอ่อนแอมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสก็ยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปแทนที่จะถอดถอนกิเลส มีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นออกจากภายในจิจใจให้เกิดความห้าวหานในการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดสิ่งชั่วช้าระโมกทั้งหลายให้หมดไปจากไปทาไมมันจึงกลับเป็นการเพิ่มขึ้นมาเช่นนี้ <c oughs> ต้องคิดต้องอ่านนักปฏิบัติไม่คิดไม่อ่านไม่ได้มันยังไงก็จะต้องตายจมย่นตายจมเกิดจม อ, อยาดีผึ่งอะไร มีใจถูกกดท่วงกว็เช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ, ถูกโลกดึงดูดนะเห็จิตใ จ, จของเราก็ถู ก, ถกโลกคือกิเลสมันดึงดูดให้จมดิดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านดีดพระองค์ขึ้นและดีดองค์ของท่านขึ้นจนถึงขั้นอาวากาศ วัตถุต่างๆถ้าพ้นจากความดึงดูดของโลกแล้วมีน้ำหนักขนาดไหน ม, มันก็เท่ากันถ้าไม่มีอะไรดึงดนะูดจิตใจของท่านผู้ใดก็ตามถ้าได้หลุดพ้นจากความดึงดูดของโลกคือกิเลสประเภทต่างๆโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้นิยมว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ได้ยมว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้ยมว่าพระพุทธเจ้าและสาวกเมื่อได้ดิบ เราขึ้นถึงขั้นอวกาศได้แก่โลกุตตระธรรมแดนแห่งพริภานลึกแดนแห่งธรรมที่บริสุดแล้วนัดพีเซโ ย, ยวปาปิโยความยิ่งยอนไม่มีอะไรต่างกันเลยนี่ท่านกล่าวไว้ขึ้ น, นัก <c oughs> นาวผู้ปฏิบัติก็เป็นโอกาสอันดีอันเหมาะสมเวลานี้อุตสาพยายามประพฤติปฏิบัตินักก็ไม่ถอยเบาก็ไม่ถอยพินิษพิจารณาเสมอ ระวังการสวมรอยของกิเลสการแทรกซึมของกิเลสจะแทรกอยู่ทุกระยะที่เราเผลอเมื่อไหร่ต้องสับยำเราเมื่อ น, นั้นสวนเราเมือ น, นั้นสวนมัต้องละมัดหลอัสติเป็นของสำคัญพยายามเอาจินออกจังให้เห็นศาสนาเจริญในครั้งพุทธกาลก่อศาสนาเจริญมี พระอริยบุคคลทุกประเภทสมณะสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งโสดาปิมารสมณะที่สองสัจจิทาคามะสมณะที่สามอนาคามะสมณะที่สี่อรหัตธรรมะรัตผลนี่การปฏิบัติเพื่อทรงสมณะตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดศาสนาจึงไม่ผิดอะไรกับ มารมตลาดแห่งมัพลนิพันธ์สำหรับผู้ปฏิบัติต้องได้ต้องถึงเพราะความจริงอยู่กับใจของเราทุกคนถ้าแยกออกมาก็อยู่กับกายกับใจสรุปลงไปแล้วก็อยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้จะรับผลทุกสิ่งทุกอย่างในการกระทําของตอสอนสิ่งเหลนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือหรือเป็นการเป็นทางผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปผ่านเข้าทางกาย ผ่านเข้าทางวาจาแต่พาะอย่างยิ่งผ่านเข้าทางกายทุก ก, ก็ฎบัตรศาสนาธรรมสมูทายหนึ่งผ่านเข้าทางใจเกิดขึ้นมาที่ใจผิดทุกข์ขึ้นมาที่ใจแก้ไขกันที่ตรงนี้จิตนี้ได้ทายเทสิ่งสกรปรกทั้งหลายออกเสียแล้วบรรจุอัธรรมอันเป็นสิ่ง ที่สะอาดสะอาดงามใจสงบเย็นใจสว่างสวัยภายในใจและเลิศภายในใจขึ้นมาแทนที่เป็ น, นปลาดับลำดับจนกลายเป็นว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็แล้วพูดว่าใจก็แล้วเป็นธรรมชาติที่ประเส ร, รู้อยู่ชัดเจนภายในความรู้ของตนหรือภายในตัวของเราเองไม่จำเป็นต้องให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาบอก มาแน่ว่าท่านเวลานี้ท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วทำประเภทนั้นทําประเภทนั้นเป็นสันติิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองด้วยกันไม่ว่าครั้งพุทธิจารและสมัยปัจจุบันนี้ทำเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปไหนเลยมีกินอยู่ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลขอให้ดําเนินทางเหตุให้เป็นหนักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเถอะผลจะที่จะพึงได้รับนั้นจะไม่ มีผู้ใดมารับแทนใจผู้ที่กำลังบําเพ็ญเหตุเป็นพธิีกำลังความสามารถและเป็นภูมิเองอยู่แล้วเวลานี้จะพึงรับผลโดยสมบูรณ์ขึ้นที่ตัวของเราเองพร้อมกับคำที่ว่าสันทิิโกจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพร้อมกันหมดไม่มีบกพร่องที่จะต้องไปถามหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่กเป็นอย่างไรบ้าง รู้แล้วยังหรือยังไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นไม่มีวันนี้ได้ที่มาถึงเรื่องศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญอธิบายไปไหนก็ตามเถอะเราเป็นผู้ฟังเพื่อเราทุกทุรูปทุกๆนามขอให้โอปนิัยโขนน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราชาตนาใดจะเจริญกับผู้ใดก็ตามจะเสื่อมกับผู้ใดก็ตามไม่สาคัญที่ จะเสื่อมหรือจริญที่ใจของเราศาสนาเสื่อมที่เราเราก็เป็นผู้ยอมรับทุกศาสนาเจริญขึ้นที่ใจของเราเราก็เป็นผู้จะเสวยผลแห่งความเจริญของศาสนามากน้อยผ่านใจของตนเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองใจของเราเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมารับผิดชอบไม่มีการสถานที่ใดมารับผิดชอบเฉพาะอย่างยิ่งความขี้เกียจที่คร้านความท้อแท้อ่อนแอนั้นไม่ใช่ผู้มา ช่วยรับผิดชอบแล้วนะพวกนี้จําประเภทเหล่านี้มีตรวเพศเหยียบย่ําทําลายให้เราล่มจนลงไปโดิมำดับจึงควรเห็นภัยอย่างยิ่งกับสิ่งอันนี้ประจําใจมีสติเป็นอย่างเข้มงวดกดขันระมัดระวังเสมอสตินั้นและจะเป็นเครื่องพยุงสตินั้นและจะเป็นเครื่องรักษาเราให้ปลอดภัยไปได้ปัญญาแลเป็นธรรมชาติที่จะฟาดฟันทันแดกสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบใจ แล้วคอยที่จะแทรกจะแซงคอยที่เหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอนี่ทำมันแตกกระจายไปด้วยปัญญาของเรานั้นแหละนี่เอาให้จริงจอาวากาศเหนื้อโลกเป็นอย่างไรอาวากาศของโลกที่ทราบกัอนอยู่นี้เราก็ทราบแล้วอาวากาศของธรรมเป็นอย่างไรแล้อวอวกพูดอย่างนอวากาศของจิตเป็นอย่างไร ให้รู้ที่นี่การปฏิบัติและวิธีการทั้งหมดที่จะอธิบายไปนี้ที่ผ่านมาแล้วกว็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีก่อแสดงถึงเรื่องวิธีการดำเนินจิตใจให้พ้นสู่อาวากาศจากสมมุติโดยตการทั้งปวงอย่างประจักษ์ใจทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเอาให้เห็นให้จริงให้จังอย่าลดละความเพียร การอดนอนผ่อนอาหารท่านผู้ใดเห็นเหมาะสมกับจริติตใจของตนอย่างใดหรือวิธีการต่างๆแางอ่างการประกอบความาเปล่เปียนให้พึงสังเกตไม่งั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่ได้ผลคุ้มค่าเห็นว่าวิธีการใดเป็นที่ยังผลยังประโยชน์ให้เกิดคล่องตัวกว่าการกระทาทั้งหลายวิธีการทั้งหลายก็ให้พึงสังเกตและให้พึงทตาตามวิธีการนั้น ถ้าทำอะไรไม่สังเกตจะไม่ได้ผลเท่าที่ควดสังเกตผลมากผู้ปฏิบัติมากจะดีทางอดอาหารผ่อนอาหารแต่ถ้าลายไม่ถูกก็ไม่ควรฝืนเพราะการอดอาหารไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสแต่เป็นอุบายวิธีการทำลายกิเลสโดยทางความเพียรคือยิดตภาวนาศรัทธาความเพียรต่างหากนี่เป็นอุปกรณ์ เมื่อไม่เหมาะวิธีการนี้หรืออุปก ร, กรณ์อันนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เอาหาวิธีใหม่นะถ้าถูกแล้วก็อ่าเหมาะอันนี้นํามาใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียระไรผลรวดเร็ตะดังใจหมายมีหลักการปร ะ, ะกอบความเพียรจริงต้องในพิจารณาสังเกตอุบายของความเพียรทุกแง่ทุกมุมสังเกตเสมอไม่อย่างนั้นไม่เข้าใจดําเนินไปสุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้เรือง ต้องสังเกตตัวอเองเสมอขันอดหานตะอดไปหนามันจะเป็นภัยหรือเป็นอันตรายหรือทำให้เสียหายทางด้านธาตุขันเราก็เป็นผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายธาตุาาขันและจิตใจเราจึงควรพิจารณาตัวของเราปฏิบัติต่อตัวของเราให้เหมาะสมเพราะกิเลสอย่งแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับกายมันอยู่กับใจแต่อาศัยกายเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นการมีกําลังมาก การภาวนาก็ไม่คล่องตัวอืดอาดเหนืนะ่อยหนายดีไม่ดีจิตหาความสงบไม่ได้ผู้ที่มีความสงบแล้วกําลังดําเนินทางด้านปัญญาปัญญาก็ไม่คล่องตัวพออดอาหารผ่ออาหารลงไปนี่จิตก็สงบได้ง่ายปัญญาก็คล่องตัวนี่เป็นเครื่องสนับสนุนกันหนังนี้แต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ข่าที่เ ด, ดชเท่าการอดอาหารอันนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนต่างหาก พูดที่จะค่าที่เด็ดก็คือสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นวิธีการโดยตรงเพิ่งสังเกตตัวเองแสดงตามก้อนยังไงก่อนรู้จุดหน่อยๆมังกรขาก็ก่อยาท่านหรือเฉยกระพองท่านนั่นเลนี่ยหลักใหญ่เป็นไงมังกูแหวนกับเหมือนกันถึงวิทีไหนที่ยิดเป็นหลักกุกัวน มันมีต่ชื่ อ, อาากับมาฐานนั่นน่ันว่าไงช่วยตัวเองก็ไม่ได้เผื่อคู ว, ว า, าจ้างกับมันจะไปอาศัยคุว า, าจา้างเหรอไม่ได้เรื่องในาดาช่วยตัวเองไม่ได้จนถึงเล็กจนตายมันมีได้เรื่องอะไรเล็กกระตือกระปวดใหม่จะมาตั้งถึงตายเฉยไม่ได้เรื่องในาดาไม่มีการวิจัยในจิตใจมันประโยชน์อะไรน้ ศรัทธาความเพียรเป็นของที่ปลุกขึ้นได้ด้วยอํนนานาจของปัญญานะี่พิจารณาไก่กองมันเกิดขึ้นเองศรัทธ า, า, าความท้าเพียรความขยันทุกสิ่งทุกอย่างมันไปกันตามกันถ้าใช้ความคิดบ้างอันนี้ปล่อยให้เกิดเรื่องอารมณ์ของโลกมาเหยียบย่ําทําลายเนะนี่ยเมื่อารมณ์ของโลกมันจะมกีการจะมีทําได้เกิดได้ยังไงกี่ปีกี่เดือนก็ท่านั่งสอนขี่ลงไปตรงนี้ทําไมไม่ดูจุดสําคัญอยู่ตรงนี้จะแท้ มันเห็นมั่งเห้ยที่ท่านสอนสมาทานเฉพาะอย่างนี้่งสมาทานห้านั่นอ่ะมันเห็นมั้งที่เป็นยังไงผู้นิจเจ้าผูเล่นเหลือเราติดนั่นแ่ะตีดกับสิ่งนี้เราติดเล่นเหลือเราติดจริงจริงแล้วท่านสอนต้อสอนแก้จริงๆทาไมเราไม่เอามาพิจารณาให้มันทันกันกับสิงมันจอมปลอมติดจติดจะจริงจริงจังจนหาที่ออกไม่ได้จนไม่สนใจจะหาที่ออกเรายังไม่เช้ามันติดจริงเหลือนี่ย แล้วจะนำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องแจ้เข้าไปแกจ้ด้วยความสิงนใจเห็นเป็นของปลอมไม่สนใจไม่นำพาไม่ดูดดื่มค <c oughs> งที่ดู ด, ดื่ม ม, ดดมันมี่เร็เนี่ยแล้วทามาจากที่ไหน <c oughs> ที่ไหนเบียนี้มันมีแต่การก่อการสร้างนะแข่งกันนะสมบัติอะไร สร้างหัวใจมันไม่ไดสร้างมันถือว่าเป็นความลําบากําคาญเอาเรื่องข้างนอกมาแก้ลาคาญมันเพิ่มําคาญหาทางออกไม่ได้มันไม่คิดมันยากตรงไหนแก้มตรงนั้นคือมันทุกข์มันลำบากตรงไหนวัดกันลงตรงนั้นสยถ้าอยากจะเห็นเรื่องของกิเลสกับธรรมเออยือยแข็งดีกันก็เอาตรงนั้นสยมันจะได้เห็นแพ้ชนะตรงนั้นที่อื่นหาทางคําว่าแพ้ชนะไม่ได้ล่ะนอกจากหมอกราบหมอกลาบเท่านั้นตรงนี้จะเห็นได้จุดความแพ้ชนะเนี่ย มันลำคญลัญนะกําหนดพิจารณาความลำคาญเอาเป็นอารมณ์เลยพิจารณาเลยมุนกันอย่างนั้นนั่นเลยเป็นความเพียนขึ้นมาอนี่มันเคยเป็นมาสพอแล้วเรื่องความทุกข์ความลาบากพวกที่เด็กเดือดเดือกทำได้เฉพาะอย่างยี่ ง, อองคือเวลาออกปฏิบัติแต่ก่อนก็ไม่เลยสนใจอะไรมัากนะเรียนกันไม่ได้มันจะได้ช่านได้ภูมิไปแต่ยังดีอยู่อย่างนงที่ว่าเรียนแล้วตั้งต่ออกปฏิบัติี่เจตนาเนี่มันสัง เรียนแล้วออกปฏิบัติจริงๆแต่ในขณะที่เดียวนะั้นก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะเราออกปฏิบัติแล้ ว, ออลวสิมันที่ไม่พิจารณาเรื่องนี้ดูเฉยๆมันแหมมันเหมือนไฟไม่แฝบนะสุมอยู่ภายในเนี ย, ยมันยังไงจิไม่ได้เรื่อง เ, เลยหรอทำไมมันร้อนดนเป็นไฟในกิตหาเหตุหาผลไม่ได้มีนะคือเราโง่นั่นเอง ไม่ทราบมันตะกว้นเอาอารมณ์อะไรมามาเป็นกองเป็นแสบขึ้นมานั้นมันกับไฟมันเจาะ อ, อยู่ในนั้นแล้วมันเผาอยู่ในหัวใจนันอะไรอะรเป็นมาตต์พรอแล้วนะมันไม่เห็นโทษของมันโอ้คี้เหล็กไม่ว่าชนิดไหนเถอะมันตนไฟได้ด้วยกันกทั้งนั้นพอจิตสงบลงเย็น พอจิตสงกเป็นสมาธิี่รู้สึกเย็นอ๋อที่นี่หายใจเหมือนกับว่าทั่วท้องหายใจถึงปอดตอนที่จิตไม่สงบนี้ดูในก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าจของมงันพอจิตสงบลงไปแล้วมันเย็นแต่จิตมันชอบขี้เกียจ สงบมก็จะอยู่ต่สงมันเท่านั้นไม่ใช่ทางปัญญาอยู่นั้นอีกแหละหรเรื่องความสงบความเย็นความเกิดอะอาจารย์ยิ่งนั้นก็ว่ามีมจนกว่าได้ถูกควาแม่ของอาจารย์ไตหน้าผาแล้วอย่างแรงมันถึงได้ออกพิจารณาเวลาพิจารณาได้เห็นโทษเหอนไม่พอดีำสำหรับนิสัยขอเราเจ้า่แนะนมาสอนมูตรเื่อนอยให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสอน จังหวะที่พอดีที่พอดีพอดีเลยริ่เพราผ่าโลนเราเคยเป็นมาแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งมาจะจนพอสงบสงบมาจะจนพ อ, อสมาธินี่จะพูดเต็มปากไงวะมันแน่นเหมือนภูเขาเหมือนหีนแต่มันแค่นั้นนะแน่นตึงอย่งั้นตลอดหยุดนี่ให้หยุดเมื่อไหร่ได้ นั่นหรอฟังสิมันทำนานนแต่ไมนได้แค่นั้นมันจะรู้แน่วอย่างนั้นไม่แต่ความรู้อันเดียวแนว่วไม่มีของกับอะไรเลยสุดท่านเขว่านี่ยคือนิพาพานนิพพานอยู่ตรงนี้ ม, นนนมันกําหนดตองนี้แ้วมันกิด็นนี่อะไรโอก็อกินปลาทั้งก้างหมันอมแม่ น, นั้นหมด เป็นกระดูกเป็นก้างมันอมไันในสมาธินั้นหมดเราไม่รู้เมื่อเวลาไปลี้ขาดออกปัญญาถึงมาโอ้นั่นกระดูกนั่นนี้ก้างมันก็รู้แหละที่นี่แยกออกแยกออกแยกออกแผ่วๆออกจริงๆแล้วอภิชาพอเข้าถึงกันแล้วอภิชาก็ากแตกกระจายไปแล้วที่จะว่าอะไรพอน้ําแตกวัฏจักรแตกแล้ววัฏจิตแตกอเหลือแต่วัฏจิต รู้บริสุทธิ์ก็รู้เนี้ยมันชิพไพรไปไหนล่ะ น, นั่นส่วนที่มันมาเป็นเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับําดานเป็นอาการทั้งนั้นเป็นสมมติทั้งมวลจพิเข้าถึงขั้นละเอียดที่อยู่ในสยยนัญยุท์ห้าหนึนี่นี่ละส ม, มุติอันละเอียดที่เดือดอนละเอียดพอหมดอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วนี่จะรู้จะมาดู เศร้าอเ่าเศ้ามองผ่องใสเรื่อมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งมวลเป็นสมุททั้งมวลมันไม่ไปเศ้ามองก็ไม่ไปผ่องใสก็ไม่ไปมันอยู่ตรงกลางนั่นแ่ะถ้าว่าถ้าเราจะแยกเป็นสมุทนี่มอยู่ตรงกลางนั้นศูนอยู่ก็ไม่ไปอศูนย์ก็ไม่ไปยังอยู่ก็ไม่อยู่อศูนก็มีอยู่เช้นสูนไปแล้วก็ศูนนี่ก็ไม่อยู่เสีย มีอยู่อย่างโรคทั่วไปก็ไม่อยู่เสียอยูนตรงกลางนั่นเพิงเียนั่นแหละแท้จุด อ, อยู่ตรงนั้นนะอั น, นี้คนเราที่ม ม, ม, ม, มีความไม่พอดีฝังอยู่ในใจแล้วมันไมไ่ลงในความพอดีนันนะมันจะเลยเถิดทางนั้นแหะสูญก็ศู น, นไปได้แหลมมีอยู่ก็มีนี่นี่ผ่นานมีอยู่นี่นี่ไปเลยมีอยู่แบบโลกมันผิดอะไรกับโลกมีอยู่อย่างนั้ น, นก็กนนนเป็นตัวอันขข น, าา น, นี้จะตการหน้าตาแล้วสิไง อ๋อดีนะ